ห้าสิบไปบัดดิลที่สระว่ายน้ำนิชล์กลัติวันนี้อากาศร้อนอินทมิกลุมเวปเปอร์มอกระยเราไปสระว่ายน้ากันไหม น้ำนีช க ுกุล த ிิร க ு செல்லலாமா? คุณอยากไปไว่ายน้ำไหมวุณักนีน ண ் ட ுนด ப มโ்ลอுริกิ ற த ாคุณมีผ้าเช็ด ต, ตัวไหมวุณนีดัมทุนด இ อுริกิ ற த ாคุณมีกางเกงว่ายน้ำไหมวุณนีดัมนีช அ ลอา் க คอล ச ัต ட ை இ อுริกิ ற த ா คุณมีชุดว่ายน้ำไหมอุณนิ่งนิ่ชั่อุ้งอิริคีรดาคุณว่ายน้ำได้ไหมคุณก็นิ่งตัดเตะริ่มะคุณดำน้ำเป็นไหมคุณก็ทะเลกิดปอยชั่งเตริ่มะคุณกระโดดในน้ำเป็นไหม วุณักนิริลคุณได้คิดตระิยมออาบน้ำได้ที่ไหน குளிய า ற ை எங்கு இருக்கிறது ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน உடை ம ா ற ் ற รมอารีเย่งกุยริกิระดว้นตาว่าน้าอยู่ที่ไหนนิชัลค ண นนอดีเย่งกุยร க กิระ น้ำลึกไหมนิรมีกระวอมอ่อนม้น้ำสะอาดไหมนิรสุดดมาอ่ะให้ยิ่งริกกีระดาน้ำอุ่นไหมนิรอีดมอหนาเวปปมอให้ยิ่ริกกีระดดิฉันหนาวมากนนวัวอินดุคนเดียริกกี